อันนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะทำลายกามได้โดวยวิธีว่าต้องเอาจิตนย้อนสอนคิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดคิดถึงเราเป็นฝ่ายดับแต่คิดถึงเรามันมองไม่เห็นไม่เป็นไหลเราสมมุติขึ้นมาก่อนว่าตัวเราในรูปพันธสันธานอย่างไรสมมุติขึ้นมาก่อนว่าเรามีรูปพันธสันารอย่างไรนึกไม่เห็น สมมติขึ้นมาสมมติก็ยังไม่ออกเราจำตัวอย่างคนอื่นมาเช่นเราเห็นคนตายเห็นคนที่เขาเรียกว่าสลีละมนุษย์นะ่ะตับไตไส้พุงคนเราอยู่ตรงไหนที่เห็นเขาเขาจำแหล่ศพนะ่ะแล้วก็สมมติตัวเองน่ะเป็นภาพนั้นเวลาทําให้เอาตัวเองเป็นนะ จะเอาให้คนอื่นเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการเห็นตัวเองนี่ไม่ใช่เห็นคนอื่นแต่ว่ามันไม่เห็นก็เลยว่าอาศัยยืมคนอื่นเนี้ยมาเป็นมาเป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าเห็นคนอื่นมามาเป็นตัวอย่างแล้วมา น, นึกถึงตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าอสุ ภ, สญญสภสญญ ะ, ะสัญญาเห็นคนตายนึกถึงตัวเองตายเขาเรียกว่ามรณสัญญาอสุภสัญญามรณะสัญญาอนิจจสัญญา ทุกข้สัญญาอนัตตสัญญาเขาเรียกว่าสัญญา10บประการมีทั้ง10บอย่างนะสัพเพสัพพะโลเก อ, อ, นะอ น, นัตอานิพตญญาาลออะพตะสัญญาสัพพะโลเกอนัลตะสัญญาคือว่าโลกนี้ไม่น่ายินดีโลกนี้ไม่น่ายินดีเป็นของที่มีแต่ความรุ่มหลงกันคิดถึงความตัวเองเนี่ยมีความปฏิกูลคืออสุภาษสัญญา เขาเรียกว่าอสุภาสัญญานั่นเป็นหลักอสุภาษณแปลว่าไม่งามสัญญาแปลว่าจํามาจําไว้จําได้หมายรู้นีฉะนั้นอสุภสัญญาแปลว่าจําได้ในสิ่งที่ไม่งามนึกถึงเขาเป็นฝ่ายงามไงคิดถึงเราเนี่ยเป็นฝ่ายไม่งามไม่งามยังไงไม่งามว่าตัวเรานี่มีสิ่งปฏิกูลมากมาย ฉะนั้นเวลาทำกรรมฐ า, านเนี่ยนึกถึงตัวเองด้วยความปฏิกูลอยู่เสมอนึกถึงความปฏิกูลในตัวเองอยู่เสมอที่แรกเรานึกไม่ออกสมมุติขึ้นมาก่อนเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาสมมุติขึ้นมาตัวเราลูกพันสุจันทานยังไงนึกมาก่อนทำบ่อยๆแล้วก็มีระบบนะระบบก็คือว่า ตอนนี้ไปเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยเราพยายามจะให้เห็นด้วยอุบายอุบายใดอุบายหนึ่งพยายามสร้างอุบายขึ้นมาอุบายเหล่านั้นก็คือเรื่องราวที่เราจะพยายามอบรมจิตให้เราเห็นตัวเองให้ได้นึกถึงเราตายบ้างนึกถึงว่าต่อไปเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าเราตายไปเนี่ยเขาจะเอาเราไปเผาไฟในเชิงตะกรบังไม้เข้าไปไหม้จากจุดใด จ, จุดหนึ่งไปทั่วตัวไหม้ลุกลามไปในที่สุดเราก็กลายเป็นกระดูกเป็นกรเป็นขี้เถ้าไปนึกอย่างนั้น อุบายเหล่านั้นเน่ยเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาคือจํามาจําได้แล้วก็ทําอยู่บ่อยๆเมื่อทําอยู่อย่างนั้นบ่อยๆเนี่ยต่อไปนานเข้าไปนานเข้าไปนานก็ไปการกระทำเขาหลอมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเห็นด้วยตัวเองด้วยสัญญาไปก่อนต่อไปสัญญานี้แก่ก้าขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นญาณทัศนะ เรื่านตัวนี้เกิดจากสัญญายานแปลว่าอะไรยานแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นตามจริงขึ้นมาว่าตัวเรานี่ตัวเราเนี่ย ม, มีรูปพั น, นธสัญญานอย่างไรฉะนั้นเวลาทำเนี่ยทำอย่างนี้แหละแล้วก็ทําเวลาทำเนี่ยจนทำขั้าเรื่อทำมีระบบก็คือว่า เวลาไม่เห็นตัวเองยังให้เห็นด้วยอุบายต่างๆแต่เมื่อเห็นตัวเองแล้วเนี่ยให้รักษาความเห็นไว้อย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่เราคิดว่าเราจะให้ให้จิตเราในเห็นตัวเองแล้วก็รักษาความเห็นนั้นไว้อย่าให้หายพูดง่ายๆก็คือไม่ให้จิตได้มีโอกาสไปคิดถึงเพศตรงข้ามเลยให้คิดถึงเราอย่างเดียวแล้วก็ ให้จิตล็อกจิตไปตรงนั้นเลยถ้าเกิดว่าเราเห็นบ้างปล่อยบ้างเห็นบ่อยปล่อยบ้างปล่อยแล้วมันไปอยู่ไห น, นไปอยู่ของกามอีกแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยกามเราก็จะไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟจะมอดหน่อยเราไปเติมฟื้นอีกแล้วเริ่นแต่ไฟจะมอดหน่อยไปเติมฟื้นอีกแล้วมันก็ลุกอยู่นั่นแหละทางที่ดีงดการเติมฟื้นเลยไม่ให้เติมไม่ให้เติม การที่เราปล่อยจิตคิดไปถึงคนอื่นเนี่ยนั่นคือการเติมฟืนเข้าไปในกามเติมเชื้อเน่ยเขาเรียกว่าเชื้อไฟลุกไหมอยู่แล้วเราก็ไปเติมเชื้อเพลิงเข้าไปไฟนั้นมันก็กองใหญ่ไปเลยมันกองใหญ่อยู่แล้วนี่ฉะนั้นคนที่เราจะคนที่บกคนที่จะต้องการที่ว่าชนะกามนี้เนี่ยมีระบบก็คือต้องระบบนั้นรัดกลุ่มก็คือให้เห็นตัวเองเพียนให้เห็น เพียนให้ได้ถ้าไม่เห็นพยายามด้วยสร้างด้วยสัญญาก่อนสร้างด้วยอุบายก่อนสมมติขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาล่างเดียวเรานี่นะล่างจริงๆของเรานี่แหละมาพิจารณาล่างนี้แล้วก็ถ้าไม่เห็นยังให้เห็นถ้าเห็นแล้วรักษาความเห็นนั้นไว้รักษาไว้กะว่าต่อไปเนี่ยเราจะไม่หวนกลับไปสู่การคิดอย่างแบบโลกๆอีกแล้ว ต่อไปการที่เอาจิตไปคิดถึงเพศตรงข้ามเนี่ยเราจะไม่ให้มีเลยให้ศูนย์พันไปเลยอ่ะกามถึงจะดับนะวิธีนี้คือตัดญาติขาดมิตรกับกามไปเลยว่าการเกิดของกามเขาเกิดอย่างนั้นเราจะตัดจิตของเราไม่ให้ก่อให้เกิดการนั้นอีกเลยแล้วก็ทำลายฝ่ายฝ่ายทางนี้ให้มันดับไปก็คือฝ่ายทางที่เราพิจารณาร่างกายนี้ คนที่เขาจะทํางานใหญ่เขาจะทําการชนะค่าศึกเนี่ยเขาต้องมีแผนงานออกมาแล้วเพราะเรารู้นี่ว่าฝ่ายเกิดเกิดอย่างนั้นฝ่ายดับก็ต้องดับอย่างนี้เมื่อดับอย่างนี้ปุ๊บระบบของเราจะต้องรัดกลุ่มละะถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้เขารู้เราแล้วก็แผนผังงานที่จะออกมาการการะทําของเราเนี่ยเป็นไปนด้วยความแม่นยําไม่ใช่ว่า สักแต่ว่าทาสมาธิทับสักแต่ว่าทาความเพียรเนี่ยมันจะละได้อย่างไรการเข <ai> ้าใจอย่างนี้การการที่วิเคราะห์อย่างนี้การเข้าใจระบบอย่างนี้ชื่อว่าปัญญาทั้งสิ้นนะเจดมาร์กเนี่ยจึงได้บอกว่าปัญญานำหน้าเสมอเพราะถ้าเกิดว่าไม่ใช้ปัญญาแล้วเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลย เมื่อเป็นอย่างนี้ถึงได้บอกว่ากิเลสเนี่ยชนะด้วยปัญญาเอาละคราวนี้ถ้าคนนั้นคิดว่าตอนนี้ไปเราจะชนะกิเลสตัวนี้แต่ต้องทำมีระบบขึ้นมาก็คือทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งยืนเดินนั่งนอนเราจะไม่ปล่อยจิตนี้คิดไปถึงเพศตรงข้ามเลยไม่ว่าคิดเรื่องอะไรเราจะไม่คิดเลยไม่ให้คิดเลยตัดญาติขาดมิตรไว้ แล้วเอาจิตมาพิจารณาตัวเราให้เห็นให้ได้แล้วก็อบรมทั้งกลางวันกลางคืนต้องทำทั้งกลางวันกลางคืนนะทำไมต้องทำทั้งกลางวันกลางคืนเพราะจิตไม่มีกลางวันกลางคืนมันออกเสมอหลับก็ออกไปในลูกความฝันตื่นก็ไปในลูกของความตื่นตื่นอยู่ฉะนั้นความเพียรเนี่ยจะต้องทำเข้มงวดทั้งกลางคืนกลางวันไม่ให้ได้ช่องเชื้อในการไปของจิตเลยแล้วก็ประคับประคองจิตอยู่ใน ตัวเราอยู่เสมอเขาเรียกว่ากาย ค, คตาสติเอาสติเนี่ย เ, เอาจิตเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราให้เห็นตัวเองอยู่เสมออย่างนั้นแหละอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันแต่เวลาทำแล้วความตั้งบรณิธานเราเนี่ยเราตั้งได้นะว่าต่อไปจิตเราจะไม่ให้อยู่ข้างนอกแต่ถามว่ามันอยู่ไ้ยอยู่อยู่เลยแหละแต่เราต้องต้องดึงกลับอยู่เสมอ ทำไมต้องออกไปอยู่เลยเพราะจิตเราเนี่ยถึงแม้เราจะตั้งปฏิฐานว่าเราจะไม่ให้จิตคิดถึงใครเลยแต่มันก็แอบไปอยู่เลยเพราะว่าอะไรเพราะเรายังทําใหม่การใหม่ของเราเนี่ยย่อมจะมีการลั่วไหลของจิตอยู่เสมอฉะนั้นเวลานักปฏิบัติทำนักปฏิบัติที่จะหวังผลแล้วเนี่ยเวลารู้จิตไปปุ๊บเนี่ยตัดเะดวยเร็วอย่าให้เนิ่นนาน ไม่งั้นไฟจะลุกกองใหญ่รู้ว่าไปก็ไปปุ๊บตัดซะอย่าให้มันคิดไปเรื่องอื่นห้ามคิดนะคิดไม่ได้เดี๋ยวเรื่องใหญ่ถ้าเกิดว่าคนนักปฏิบัตินะใจอ่อนสักหน่อยนะบางครั้งนะเออให้มนไปสักหน่อยให้มันไปสักหน่อยค่อยจะใจอ่อนให้มันคิดหน่อยเดี๋ยวสักเดี๋ยวเขาจะดึงกลับเดี๋ยวเดี๋ยวดึงไม่มาเลยนะเดี๋ยวบอกให้บางครั้งเราเออมันอะมั น, มน เขาเรียกว่าของเก่าที่เราเคยไปเนี่ยมักจะใจอ่อนแล้วก็คอยจะเคลบเคลิมกับการปรุงแต่งของจิตนี่คือ น, นิสัยของเราเนี่ยมักจะคอยตามเพราะว่าเราเคยของที่ให้ของที่มันเคยเน่ะไม่ให้มันไปเนี่ยมันมันไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าใจแข็งไม่ค่อยได้นะไมันคอยจะใจอ่อนบางครั้งปล่อยให้จิตไปสักหน่อยเดี๋ยวคิ ด, ค ด, ค ด, คด ทีนี้ว่าเมื่อจะเห็นว่าทุกแล้วนะทุกแล้วดึงกลับเนี่ยมันไม่มาสิมันแรงนะที่แรกนะ้ำไฟมันกองน้อยกําลังจะลุกเราก็บอกเออให้ปล่อยมันไหม้ก่อนเดี๋ยวสักหน่อยก็ดับมันดับไม่ลงสิระวังดับไม่ลงแล้ยุ่งเลยนะเพราะเขาแรงกว่าเราอยู่แล้วเขาเคยทีนี้คนนี้กว่าจะดับลงได้นะแทบตายทุกแทบตายนะว่าหลังไม่เอาล่ะคิดอะไรตัดซะแต่เวลาตัดเนี่ยต้อง เขาเรียกว่าต้องข่มใจทางภาษาธรรมเขาเรียกว่าธรรมะธรรมะแปลว่าการข่มขี่ใจฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยหัวข้อสําคัญที่เป็นกําลังของบมลุตหรือว่าความเด็ดเดี่ยวเนี่ยอยู่ที่ธรรมะตัวนี้เขาเรียกว่าธรรมะเนี่ยเป็นการข่มขี่จิตใจของเราเนี่ยนิสัยสันดานของเราที่หยาบหยาบที่ชั่วชเนี่ยและข่มขี่ได้นี่เขาเรียกว่าสุดยอดแห่งกําลัง สุดยอดของกําลังของบรลลุดธรรมะตัวนี้จะเป็นตัวบารมีนะบารมีของคนจะเด็ดเดียวไม่เด็ดเดียวตรงนี้นะถ้าบางคนบอกเอเอให้มันไปซะหน่อยค่อยเขาเรียกว่ามันเคลิบเคลิ้มไปตามที่นั่นเนะ่ยมันค่อยจะใจอ่อนนะ่ะคนนั้นไม่มีกําลังเลยถือว่าตามใจไปคนที่ที่ที่ใจแข็งเนี่ยคิดอะไรตัดเลยตัดเลยทั้งทั้งที่จิตอลาลัยอาวร์นะ เราเองก็อะไรเหมือนกันนะมันตัดไปเนี่ยแต่ว่าใจแข็งสู้ไว้นั่นคือตะบะของคน<ม>เขาเรียกว่าตัวนี้เขาเรียกว่าตัวธรรมะธรรมะแปลว่าข่มขีฉะนั้นธรรมะตัวนี้เนี่ยใครมีไว้ในใจเป็นนิสัยสันดานแล้วเป็นสุดยอดของกําลังของบุรุษเดียวอ่าคือเรียกว่าใจไม่อ่อนนหะใจไม่อ่อนใจแข็งความแข็งแกร่งตรงนั้นนะเขาเรียกว่าดุดเพชรเลยมันคอยจะ ความใจอ่อนนั่นแหละมันคอยจะไม่ไม่ไปถึงไหนนมันจะเชิดเขาเรียกว่ามันเนิ่นช้าก็เพราะความใจอ่อนนั่นแหละคอยจะเอออคอยจะเอออหอหมกมันเลยนี่นักปฏิบัติก็ต้องมีความอดนะฮะเขาเรียกว่าน้ําอดน้ําทนนี่ก็ต้องมากนบะไม่ใช่ว่าเราจะทำง่ายเพราะนิสัยดั้งเดิมของเรามันมันแน่นมันหนามันคนเรามันสะสมหลายชาติทีนี้คนที่เขาเราฝึกตรงนี้บ่อยเข้อบ่อยข้อบางคนเขาตายเกิดหลายชาตินะ นิสัยสันดานเขาก็ อ, อ, อ่อนอ่อนเขาเรียกว่าเบาบางพวกนี้ก็จะไปบรรลุธรรมง่ายๆสมัยพุทธเจ้าต่อไปเพราะว่าอะไรได้สร้างสมมาเยอะฉะนั้นบา ร, รมีของคนอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นนะใครทำบางได้เท่าไหร่นั่นคือบา ร, รมีของคนนั้นวัดเป็นเป็นมิเตอร์มรัดวัดเลยนะว่าบา ร, รมีเรามีหรือไม่อยู่ตรงนี้ คนบอกเราไม่มีบรารมีเราไปสร้างบรารมีกันบรารมีบรารมีที่เขาว่ากันนะตรงนี้เท่านั้นนะแล้วก็ได้จากการไม่จากการที่ไม่ใจอ่อดนี่นะต้องแข็งใจต้องข่มใจต้องมีธรรมะตัวนี้นะบรารมีเนี่ยมันต้องมีธรรมะตัวนี้แหละเป็นตัวเด็ดเดี่ยวมากนะแล้นั้นใครอยากมีระบรารมีก็คือสร้างตรงนี้ถ้าสร้างแล้วก็มีกําลังมากชาติเดียวปิดบัญชีเลย จบสามารถชนะได้เลยการนี้ชาติเดี๋ยวจบเลยแต่ว่าเวลาเราทาไปนะแค่เริ่มเราเริ่มทำไปไม่มากนะผลมันก็ออกมาแล้วนะเริ่มออกมาเอรู้สึกว่าความรู้สึกของเราตรงนี้เนี่ยบางลงเบาลงเบาลงบางลงเบ า, บาคือคือไม่ต้องมาหมดทั้งหมดหรอกทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่ามันบางจริงๆแล้วก็รู้เลยว่าต่อไปเราทำมากๆกว่า น, นี้หมดแนะ และความใจอ่อนของเรานะี่ยมันคอยจะเอออไอตัวนั้นนะ่ะหลายกาดมันคอยจะตัวเตะถ่วงก็เรียกว่ามือไม่พายแล้วคอยจะลาน้ําอยู่เลยร้อยให้ความช้าหนะ่ะช้าจะเกิดขึ้นตรงที่คอยจะใจอ่อนนั่นแหละความขี้เกียจขี้ค้านความใจอ่อนความไม่ค่อยก้าวออกนะความขี้เกียจในการทําความเพียรฉะนั้นบารมีของคนเราเนี่ยวัดได้ตรงนี้เลยอ่า <c oughs> ไม่ใช่อย่างอื่นเขาเรียกว่าเนคข ม, มะบาลมีเนคข ม, มะบาลมีเพราะโลกนี้มันเต็มด้วยกามเมฆขมะเนี่ยคือการออกจากกรรมมันก็มีทั้งหมดนะมีทั้งขันติบาลมีมีทั้งเนคข ม, มะบาลมีสัจจะบาลมีมีทั้งหมดเพราะว่าความเพียรก็ต้องทําความเด็ดเดียวก็ต้องมีความอดทนขันติก็ต้องมี ต่อไปเราเราชนะได้เมตตาบารมีก็จะเกิดด้วยบารมีสิบทัศทีเดียวนะทําไปทัางมาตรงเนี้อีกหน่อยถึงโ น, โน่ในเวขาบา ร, ม, ร, าบารมีนั่นเนี่ยที่เราสวดบารมีนั่นเนี่ยตรงนี้ก็คือบารมีของคนมาจากการทําลายกามอย่างเดียวเนี่ยนะได้ทั้งหมดเลยนะทั้งทุกทุกข้อของบารมีทีเดียวไม่ใช่ว่าเนคขมะบารมีอย่างเดียวหรอกเพราะกิเลสดับก็ได้ทุกอย่าง ถ้าก็ว่าถ้าคนไหนที่จะสร้างบา ร, รมีบา ร, รมีอยากได้บา ร, รมีตัวเองอยากจะมีบุญบา ร, รมีทาตรงนี้แล้วก็เวลาทํนะสังเกตว่าขณะใดจิตเราคิดถึงค น, คนอื่นเมื่อใดที่บอกว่าความคิดของคนเราที่บอกอกล่าวไว้แต่ต้นว่าเอเราทำกรรมาฐานทาไมความคิดชั่วๆนะ่ะมันเยอะมาก ความคิดสกรปกกรกสกปกนะ่มันเยอะมากและที่บอกว่ามันเยอะขนาดที่ว่าเราเนี่ยท้อแท้ไปหมดเลยแล้วก็ตัดพ้อต่อว่าตัวเองว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากมาปฏิวัติปฏิบัติยิ่งปฏิบัติไปเหมือนก็ความคิดชั่วๆเรามันเยอะบัทอนจิตใจของเราบัทอนทุกอย่างทำให้เราเห็นความเป็นอย่างนั้นนี่น่ากลัว เชื่อไหมว่ามาตรงนี้นะดับได้เราสังเกตว่าเวลาความคิดชั่วๆหรือนี้เกิดนะเกิดจากการส่งจิตไปคิดถึงคนอื่นนั่นเองเกิดทันทีเลยเกิดทันทีเลยแต่ขณะเดียวกันมันกำลังเกิดเกิดอยู่นี่นะตอน้อมจิตมาดูตัวเราปุ๊บเนี่ยดับทันทีเลย เกิดทันทีดับทันทีเกิดทันทีดับทันทีถ้าคนไหนเห็นสองอย่างนี้ว่าก่เกิดตรงนี้นะแล้วดับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคนนั้นยิ้มได้เลยว่าต่อไปนี้ความคิด ช, ชั่วของเราเนี่ยจะดับไม่เหลือหน้าที่ไหนหน้าที่ที่เราเห็นตัวเองแจ้งชัดแล้วก็เป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นแหละอาคุศลของเราที่มี ความชั่วร้ายหรือความคิดไม่ดีของเราที่โสกโปกโสกรปรกจะดับไม่เหลือนาที่นั้นถ้าเกิดว่าคนคนนั้นมีอยู่ความคิดสกโปกนี้มีอยู่แต่ไม่เห็นความดับของเขากุ้มใจตายเลยความคิดสกโปกเราจะไปนิพพานได้อย่างไรอะสมาธิของเราทาาํามากมายมากมายแต่ความคิดสกโปกนี้ตามราวีของเราเยอะแยะไปหมดใจโสกโปกนะ่ะไปนิพพานไปได้หรอก เขาไป่รับมันดำแต่เชื่อไหมถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าอ๋อระบบนี้เป็นการกั้นกรองของความคิดสกรปรกให้หายไปได้ความคิดสกรปรกทั้งหมดจะดับไม่เหลือเมื่อเราเห็นตัวเองอยู่จิตใดจิตของเราเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณใดของตัวเราอาการสามสิบสองนี้จะเป็นที่ความดับไม่เหลือแห่งความคิดอกุศส น, นี้ แต่ขณะไดหลุดตัวเองไปอยู่คนอื่นเอาเกิดอีกแล้วอ๋อความเกิดอยู่ตรงนี้นะขณะใดาดึงมาดูตัวเองเอ้าดับแล้วแต่ถ้าเกิดว่าให้ดับสนิทไปเลยไม่ให้เหลือมีทางเดียวคือเห็นตัวเองอย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่แล้วก็ให้ให้ความคิดเกี่ที่คิดไปถึงผู้อื่นเนี่ยดับไปเลยอย่าให้มีเท่านั้นเองอารมณ์ฝ่ายดาของเราก็กลับเป็นฝ่ายขาวอย่างสะอาดเลย แล้วเราจะเป็นผู้ชนะเรื่องนี้แล้วเราจะดูวาสนาบารมีของเราว่าโอ้เรามีบุญนะเราขาวสะอาดใจของเราน่ารักมากเมื่อก่อนนี้เราเน้นรังเกียจมากใจของเราสกรปรกเหลือเกินแล้วก็เราก็ไม่เห็นทางออกก็ดีกว่านั้นแต่บัดนี้เราเห็นทางออกแล้วเราบำเพ็ญมาตรงนี้แล้วก็บาเพ็ญได้ในที่สุดเนี่ยเราไม่เคยเห็นจิตของเราคิดไม่ดีเลยไม่มีเลยนะ จิตใดที่คิดสกรปรกสกรปรกเมื่อก่อนเนี่ยบัตรนั้นจะไม่มีเหลือเลยพร้อมไปกับพร้อมไป ก, กับการสิ้นไปของกามนี้กามหมดเมื่อไหร่หมดกันเหมือนั้นเพราะความคิดสกรปรกนี้มาจากกามเป็นเหตุ <c oughs> เอออย่างนี้ค่อยอยังชั่วหน่อยไปนิพานได้หน่อยนิพานก็รับได้จิตขาวอย่างนี้จิตดําไม่เอา ไปไม่ได้โยกกระปกจะไปได้ไงอะ่ะเวลาเราทําสมาธิไปนะสังเกตไหมจิต ค, คิดไปดีเนี่ยเย้ยไปหมดเลยไม่มีทางได้นะสมาธินี่ไม่มีทางล้างออกเลยนะมีทางล้างออกได้อย่างเดียวก็คือทําวิธีนี้เท่านั้นซึ่งวิธีนี้ก็คือมักมีองแปดนั่นเองมักมีองแปดนั่นเองเป็นเรื่องอจจัศจรรย์มากว่า มรรคปีองแปดนี้เป็นสุดยอดของการทำเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนคนนั้นก็พยายามที่จะสะสมคืออะไรก็แล้วแต่นะ <c oughs> <c oughs> คืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นความเกิด <c oughs> เห็นความดับและเห็นทางออกเรื่องเรื่องเรื่องปัญหายามนั้นเรายิ้มออกนะ ถ้าเราเห็นทางออกของปัญหาได้เนี่ยการแก้ปัญหาก็เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่เราวางไว้ที่เราเห็นอยู่แต่ปัญหาใดที่มีอยู่แต่หาทางออกไม่เจอมืดมนไปหมดนั่นคื อ, ค อ, คอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเช่นว่ากามเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่ามันเกิดอย่างไรแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้ว่ามันดับได้อย่างไรหรือความคิดชั่ ว, วของเรา ความคิดเร็วๆความคิดไม่ดีของเราเนะี่ยมันเกิดอยู่ในใจเรามากมายเราก็ไม่รู้มันเกิดได้อย่างไรแล้วก็ไม่รู้มันจะดับได้อย่างไรคนนั้นเนี่ยหนักใจมากนะเหมือนกับโลกเนี่ยมืดหมดแปดทิศเลยมองหาทิศทางไม่เจอ <c oughs> เหมือนเรามีหนี้สินอยู่แล้วรายได้เราก็ไม่มีเลย คนที่มาทวงหนี้เราก็จะเอาเป็นเอาตายกับเราทิศทั้งหมดมืดบอดเราไม่รู้หนทางที่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรเราเองก็ไม่สามารถจะใช้หนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าหนี้ลุมเล้าเราอยู่คนเร่งคนคนที่มาทวงหนี้ก็เร่งรัทเราอยู่แล้วเราเห็นช่องทางที่จะเคลียร์เรื่องนี้ได้ถึงแม้จะมีหนี้ก็ช่างเถิดถึงมีจะทุบบีบคั้นก็ช่างเถิดแต่หนทางมีอยู่ แล้วก็มองเห็นทางที่แก้ไขเรื่องนี้มีอยู่อย่างนี้มันก็ยังลิบเอ่อยังยังยิ้มรับสถานการณ์ได้ใช่ไหมล่ะการเห็นอะไรที่มีทางออกอยู่ถึงแม้เราจะไปด้วยความยำบากแต่มันก็ยิ้มกับสถานการณ์นั้นว่าทางนี้แก้ไขได้เหมือนกันว่าการนี้ก็ดีความคิดเอาุศลอย่างที่ว่านี้ก็ดีเนี่ยเราไม่เอาออกเนี่ยอย่างบอกว่า เราจะรู้คำสอนผู้เจ้าได้อย่างไรแล้วเราจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรจิตของเรามันสกรปรกนิพพานมันรับไม่ได้หรอกนิพพานรับไม่ได้เขาไม่รับมันสกรปรกจะไปทั้งๆที่สกปรกได้อย่างไรสมาธิเขาเราก็สั่นคลอนอยู่เสมอแต่เมื่อเราเห็นว่ากามนี้ออกได้อย่างนี้แล้วก็ จิตที่เป็นอกุศลนี้ดับได้อย่างนี้เห็นทางที่หนีที่ไล่ถึงแม้ว่าเรากําลังจะทําใหม่ๆความยิ้มได้ก็เกิดขึ้นในใบหน้านะว่าอุ้มทางนี้มีได้นะแล้วก็เห็นช่องอยู่ว่าเราแก้ไขเรื่องนี้ได้ทั้งๆทงี่ยังไม่ได้แก้อะไรมากนักเนี่ยมันก็ยังยิ้มต่อสถานการณ์ที่บีบคั้นเราได้อย่างนี้ก็ยังข้อยังชั่วอันนี้ประชาชนทั้งหลายว่า ถ้าเกิดว่าทิศ ท, ทั้งหมดยังมืดบอดแต่เราเนี่ยคนทางที่จะแก้ไขเรื่องนี้จะมีได้อย่างไรคนนั้นก็กลายเป็นผู้ที่กดดันที่สุดจะเลิกลาการท ำ, ทำความเพียรก็เหมือนกับเราจะเวลวร้ายจะขืนสู้ต่อไปก็ดูทิศ ท, ท, ท, ท, ทั้งหมดไม่ปรากฏความหนักใจของคนนั้นก็เหมือนกับว่าประดังประเดยอยู่ในหัวใจของคนนั้นกดดันมาก อันนี้เป็นค ว, ความที่น่าเป็นห่วงของของคนนั้นว่าจะเอาชีวิตของตัวเองนี้ไปได้อย่างไรยังไม่เห็นทางที่จะจะชนะเรื่องนี้ได้อย่า ง, างไร <c oughs> อันนี้แหละสาธุจชนนั้งหลายว่าวันนี้ก็เลยมาชี้แจงเรื่องกาม ว่าทำอย่างไรจะให้มันหมดไปแล้วก็พัลนาโทษถึงกามแล้วก็วิธีออกจากกามเพราะกามกับอกุศลนี้เป็นบริวารอากุศลคือบริวารของกามนะจิตที่คิดชั่วๆที่ไม่ดีเนี่ยก็คือบริวารของเขาแต่ตัวใหญ่ก็คือกามนี่เองนี่คือตัวใหญ่เลยตัวด้ายใหญ่เลยก็คือกามของคนเหล่านี้เอง ละไอ้ความคิดดาๆคิดคิดไม่ดี น, น, นั่นคือบริวารเขาฉะนั้นเราจะต้องฆ่าทั้งระบบเลยไม่งั้นนิพานไม่รับนะจิตมันดําผ้ามันย้อมไม่ติดหรอกมันสกรปรกต้องซักก่อนสิมันจะยอมได้ก็ต้องซักสกระปกออกก่อนจะเข้านิพานได้ก็เอาทําลายสิ่งที่ไม่ดีนี่ออกก่อน ก็คงจะเข้าใจนะว่าออกอย่างไรทีนี้เรามาย้อนปาญหาว่าการปฏิบัติของคนนี้ก็เริ่มทําขึ้นมานะะที่ว่ามองเห็นตัวเองมองไม่เห็นก็พยายามพยายามสมมติตัวเองขึ้นมาก่อนว่าตัวเองนี่มีรูปพันธสันญานอย่างไรก็พยายามนึกขึ้นไปนึกขึ้นมาพิจารณาตัวเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีแรกเป็นอุบายนานเข้าไปนานเข้าไปเริ่มชํานาญ จิตเนี่ยมืดๆก็เริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้นทีแรกจะมืดตืตต่นนะ้มองอะไรไม่เห็นอกมืดแต่เราก็ดำๆไปทั้งมืดๆนั่นแหละฝ่าไปมืดๆนั่นแหละทีนี้มืดๆนั้นเราก็ทัมไปฟันฝ่าไปอบรมไปต่อไปต่อไปจิตเราก็เริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งสารพังร่างกายของเราเนี่ย ก็สว่างขึ้นไปสว่างขึ้นไปอา้าวสว่างขึ้นไปสว่างขึ้นไปก็จะเห็นตัวเราในจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วตัวอ่าทั่วสารพังลร่างกายเห็นภายนอกเห็นภายในเห็นภายนอกและภายในเ้าเรียกว่าเห็นกายในกายเมื่อเห็นกายในกายอยู่กายภายนอกกายภายใน แล้วก็ยังความเห็นนั้นรักษาไว้เป็นเครื่องอยู่ของจิตอยู่เสมอแผลดเผากิเลสกามนั้นให้เหือดแห้งไปทุกขณะทุกขณะเชื่อไหมว่าคิดถึงตัวเองเนี่ยกามมันลดทันทีเลยนะลดลงลดลงลดล ง, ลดลง น, า น, นานเข้านานเขารู้สึกว่าคือไม่ได้ปล่อยเวลาให้ให้จิตนี่คิดถึงคนอื่นเลยคิดถึงตัวเองเท่านั้นก็กลายว่าไม่มีเวลาคิดถึงนอื่นกามเก่ากามเก่าก็ไม่เกิดกามใหม่ก็ไม่โผล่ กรารใหม่จะได้โอกาสได้ช่องก็ไม่ได้ช่องได้เชือ้อกรารเก่าที่มีอยู่ก็อองออกอย่างเดียวปรากฏว่าเราทําไปทําไปทําไปตัวเองก็จะแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายทําให้มากจเจริญให้มากสมาธิวางไว้ก่อนอย่าไปทํามาทําตัว น, นี้ไม่ได้เพราะเวลาทําสมาธิเนี่ย มันแก้กามไม่ได้เราก็วางไว้ก่อนแล้วก็การอบรมมัคอบรมแบบนี้เนี่ยเขาไม่ใช่สมาธิทำไม่ใช่ใช้ระหว่างจิตคิดถึงคนอื่นคิดถึงเหล่าท่านั้นเองต่อสู้กันฉะนั้นมัคเนี่ยเขาจะไม่จัดสมาธิไว้หน้าเลยทีนี้ว่าบางคนบอกว่าทําสมาธิมาเนี่ยให้ทิ้งเขาไม่ยอมถ้าไม่ยอมก็ไม่ได้ตรงนี้นะไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นสมาธิเนี่ยทําที้แรกเนี่ยเาทำลองดูเท่านั้นเองทําทดลองดู แต่เวลาอบรมมรรคจริงเนี่ยเขาไม่มาใช้เลยใช้ไม่ได้แต่สมาธิเนี่ยเราจะไปทำทีหลังอีกทีหนึ่งบางคนหลายคนบอกว่าอาตมาเนี่ยสอนไม่ให้ใช้สมาธิอ่าแล้วก็ให้ทิ้งสมาธิหมดเลยความจริงเนี่ยตอบอย่างนี้ไม่ถูกนะต้องตอบว่าที่ถูกก็คือตอบว่าอย่างไร ตอบว่าบางข่าวต้องทิ้งก็ต้องทิ้งบางค่าวต้องทําก็ต้องทําบางการเวลาไม่ควรทําก็ไม่ควรบางการควรทําก็ให้ควรตอบอย่างนี้ถึงจะถูกแต่การนี้เรามาอบรมมรรคเนี่ยเขาวางสมาธิไปก่อนนี่เขาให้วางแต่เรื่องหลังจากที่เราอบรมตัวเองแจ้งแล้วเขาให้ทําก็ต้องทำจะด้านใครบอกว่าอาอตมาเนี่สอนไม่ให้ทําสมาธิเนี่ย คำพูดคำนี้ไม่จริงคือไม่ให้ทำบางเวลาและให้ทำบางเวลาบางเวลาไหนล่ะเวลาสมาธิเนี่ยทำเนี่ยทาตอนที่เราหมดกามแล้วเพราะกามกามเนี่ยเราให้สมาธิมาทำลายเขาก็ทำลายไม่ได้เราก็ต้องเมื่อไม่ได้ก็ต้องวางเขาก่อนก็ต้องอบรมมรรคถ้าอบรมมรรคให้เสร็จก่อนเนี่ยเราก็ไปทำสมาธิอีกทีหนึ่งก็ไม่เสียหายอะไรแล้วก็ ดีซะด้วยอย่างนี้แหละถึงจะถูกถ้าพูดอย่างนี้นะมาคนพูดขายเดียวไม่ถูกไม่ถูกเพราะเราอุตส่าห์ให้โอกาสการทําลายมันไม่ทําลายอะ่ะเราเราเร า, เราจะมาทําะไรคือใครพูดก็พูดได้แต่เวลาเราลองทนะําน่ะมันมันจะรู้เลยว่าได้หรือไม่ได้นะคําพูดตรงนั้นเนะ่ยเราเอาความจริงว่าดีกว่า บางคนก็บอกว่าเขาอาจารย์ไม่ไม่สอนเรื่องสมาธิหรอกสอนแล้วก็สอนสอนท่านที่หลังสอนที่แรกเนะี่ยทำลองเชิงดูก่อนทำได้ <c oughs> คือเขาเขาต้องสอนลักษณะที่ว่า สอนแต่ว่ามีขั้นมีตอนมีระบบเราสังเกตใบพูดเจ้าเนี่ยแรกๆเนี่ยตอนที่แลกนาขวัญท่านทำานธมชานถ้าเกิดว่าทำตอนนั้นเนี่ยผนมชานถ้าเกิดว่าชานนั้นทำลากกเลตได้ท่านก็บรุเป็นพระหรหันตอนที่เจ็ดขวบนั่นเลอา้าวตรงนั้นไม่บรรลุไม่เป็นไรหลังจากที่ท่านออกบวชแล้วเนี่ยท่านไปเรียนอาราด า, ดาบทอทุกกระดาบท ก็ถึงสมาบัติแปดสมาธิรูกประชานที่แปดถ้าเกิดว่าฌานที่แปดสูงสุดแล้วในบรรดาฌานทั้งหมดของโลกีถ้าฌานนั้นบนรรลุธรรมท่านก็คงเป็นผู้เจ้าอยู่ตรงนั้นเลยแต่ทําไมไม่บรรลุล่ะบางคนก็บอกว่าสมาธิเรามันไม่มากต้องทําให้มากผู้เจ้ามือทั้งแปดน่ะยังไม่บรรลุเรามากเท่าไหร่ล่ะ ท่านมากที่สุดแล้วนะท่านยังไม่บรรลุเอ้เราน้อยก็บอกว่าไม่บรรลุต้องมากมากก่อนขนาดท่านมากแล้วนะท่านยังไม่บรรลุเราน้อยเนี่ยไม่บรรลุนี่มันก็แน่นอนอยู่แล้วฉะนั้นคนหลายคนคิดว่าสมาธิเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ฆ่ากิเลสความจริงมันไม่ใช่สมาธินี่เป็นตัวผลของกิเลสหาไม่ใช่ตัวฆ่ า, าแต่ตัวปัญญาเป็นตัวฆ่า แต่สมาธิเป็นผลของการฆ่าแล้วการฆ่ากิเลสแล้วสมาธิถึงได้เกิดขึ้นฉะนั้นปัญญาเป็นต้นสมาธิเป็นผลดีกว่าแต่เราเนี่ยเอาสมาธิเป็นต้นเลยมันไม่ถูกแล้วเราเห็นไ้ยว่าทำไมผู้เจ้าไม่เป็นผู้เจ้าตอนรู้ตอนที่ไปเรียนอาราตบททุกต ะ, ะบททำไมหลังจากนั้นท่านก็มาทรามานพระวรากายโดยการบำเพ็ญทุกขลกิยา แล้วทําไมตอนที่ท่านตัดสู้เนี่ยวันที่วิสาขะวันเพ็ญเดือนหกเนี่ยท่านก็ทําปฐมวชานให้เกิดอย่างที่เป็นราชกุมารที่แลกนาขวัญ น, นั้นแล้วก็ทําอนาปานสติแล้วก็บรุเป็นผู้เจ้าเราเห็นไหมว่าต้นนี่ท่านกระทาแต่ท่านวางไว้แล้วก็ทําเรื่องมักมาแล้วปลายท่านก็ทําสมาธิอีกรอบหนึ่งตอนที่วันบรรุก็คือวิชาสามที่ว่า วันสุดท้ายที่ว่าปฐมมยามก็คือเปล่งอุทานขึ้นว่าเมื่อใพดพามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นย่อมกำจัดความสงสัยให้สิ้นไปเพราะบรรุธรรมทั้งหลายพร้อมกับเหตุเราเห็นไหมว่าท่านบนรรลุธรรมด้วยวิชาสามก็คือทำฌานขึ้นมาอีกทีหนึ่งทำที่แรกวางไว้ต่อมาทำเยียมักต่อมาก็มาทาฌาน ทำไมทําชานครั้งแรกไม่บรรลุเพราะไม่ได้อบรมเอียมักเพราะไม่ได้เอากามออกนี่เองเราสังเกตไหมว่าทำทำสมาธิครั้งแรกเราทําจังแต่กามมันไม่หมดก็ไม่หมดจริงๆจากนั้นถ้าไม่หมดก็ต้องวางสมาธิก่อนค่อยมาเคลียร์เรื่องกามก่อนกามก็เอาสุศลนี่ก่อนจนกว่าเคลียร์ได้สําเร็จแล้วก็ทําสมาธิอีกทีจบกิจเลยทีเดียเพราะกามสิ้นไปแล้ว จากนั้นในในสมาสมาทิในข้อแปดเนี่ยท่านจะกล่าวไว้เลยว่าสงัดจจากกรมสงัาจจากอากุิสนธรรมพิสูจน์ทั้งหลายยังปฐมฌานให้เกิดทุติยตาติจนถึงจตูจตานแล้วก็ น, น้องไปทางวิ ช, ชาสามอันนั้นแหละถึงจะถูกฉะนั้นบางคนบอกว่าอาจารย์อาตมาเนี่ยสอนไม่เอาสมาธิคําพูดคนนี้ไม่ถูกนะไม่ถูกขอแก้ในที่นี้ด้วยว่าเบื้องต้นเนี่ยเราให้ทํา แต่ว่าเวลาอบรมเรื่องกรมเนี่ยต้องเราต้องอะวางไว้ก่อนเหมือนพูดเจ้าเรียนอารา ณ, ณ, ณิบบบทมาก็วางไว้ก่อนแต่วันสุดท้ายท่านก็มาทำอกีกคือเดี๋ยวทำเดี๋ยววางเดี๋ยวทำเนี่ยคือคือคือคื อ, คอต้องมีระบบเข้ามาขืนเราจะทำอย่างเดียวไม่ได้แก้ที่กามเราจะไปได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นคนคนพูดนั้นไม่มีปัญญาเลยไม่มีการมองอะไรเลย ก็ในเมื่อเราทำสมาธิแล้วยังไม่ออกจะออกได้วิธีที่ตรงนี้ก็เราก็ต้องวางตรงนี้ก่อนวางตรงโน้นก็มาทาตรงนี้ก่อนคนอย่างนี้เขาเรียกว่าทำด้วยปัญญาแล้วก็ปัญญานี่เองสามารถที่จะฝันฝ่าอุปสรรคนั้นได้คนที่จะพูดถูกว่าตามใานสอนเนี่ยสอนทุกอย่างทั้งปัญญาทั้งสมาธิเลยสอนถ้าพูดอย่างนี้ถูกต้อง แต่บางครั้งเราก็บอกว่าพอก่อนบางครั้งให้เรามาทำเป็นกาลเวลาอย่างเช่นว่า <c oughs> อ, อย่างที่ว่า <c oughs> คําคําพังเพยที่บอกว่ากวาดสัวกวาดััวจะสุกงาก็ไม่คําคํานี้เหมือนกันนะ แสดงว่าคนที่ขั่วถั่วเนี่ยกับขั้วงาเนี่พร้อมกันแล้วเขาก็หวังว่าให้มันสุกพร้อมกันแต่กว่าจะสุกเนี่ยถั่วเนี่ยงามันไหม้แล้วอ่ะเขาก็เลยต้องเอาใหม่เมื่อทําพร้อมกันแล้วมันไม่ได้ผลก็ต้องเอาขั่วถั่วก่อนเมื่อขั้วถั่วนี้จะสุกแล้วเนี่ยจะสุกแล้วนะเอางาเขาใส่ปุ๊บปบลงเลย พอดีเหมือนกันเหมือนกับว่าเราทําสมาธิแรกเนี่ยกามมันไม่ได้ออกๆนะแล้วเอาสมาธิมาล้างก็ล้างเท่าไหร่ก็ไม่ออกแต่มารู้ทีหลังว่าออกด้วยการดํารินี่เองการดําริถูกกําดําละลิผิดนี่เองที่บอกว่าพระเจ้ากล่าวกับนางทัญหานางราคานางอรดีว่ากามกามเรารู้จากเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดําริ เราจะไม่ดำริถึงเจ้าอีกเลยกามจะเกิดแก่เราไม่ได้เลยเชื่อไหมว่าถ้าบุรุษไม่คิดถึงสตรีสตรีไม่ได้คิดถึงบุรุษคิดถึงตัวเองเท่านั้นไม่มีทางเกิดได้เลยเกิดไม่ได้เลยลองดูเถิดจะรู้เลยว่าไม่มีทางเกิดถึงบุคคล น, นั้นจะอยู่ข้างหน้านั้นก็ตามนะแต่เราไม่ส่งจิตไปนะ ถึงจะนอนทับกันอยู่ก็จริงนะไม่ส่งจิตไปนะไม่มีทางเกิดได้เลยเรื่องนี้ลองได้เลยก็เป็นอย่างนั้นคือความดําลิหาเท่านั้นแหละเรื่องใหญ่เลยท่านี้ส่งจิตเข้าไปเท่านั้นแหะเรื่องใหญ่เราไม่สงสัยเลยว่าเอาคำคำกล่าวของพระเจ้านี่ท่านกล่าวอย่างนั้นจริงว่ากามเรารู้จากเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากกวามดําลินี่เองต่อ น, นี้ไปเราจะไม่ดําลิถึงเจ้าอีกแล้ว โอ้โหคำนี้เวลาเราปฏิบัตินะเรารู้ฉะนั้นเวลาดับดับเรื่องกามเนี่ยเขาไม่ได้ใช้สมาธิเลยเขาก็ปล่อยโอกาสให้สมาธิทําลายแล้วแต่ว่าเขาทําลายไม่ได้ใครบอกทําลายได้ทำลายทาลายได้พูดไปก็พูดเถอะแต่ว่าเวลาทำมันทําไม่ได้ก็เหมือนก็บอกว่าบางคนบอกว่าเอาทัวกระ ง, งาลขั้วไปเถอดเดี๋ยวมันก็ดีเองมันดียังไงมันไม่อะ่ะ มันไม่อะเพราะถั่วเม็ดใหญ่งามเม็ดเล็กทางที่ถูกนะเขาจัดระบบใหม่สิเมื่อว่าสมาธิมันไปไม่ได้ก็วางสมาธิก่อนมาเคลียร์เรื่องกามก่อนเมื่อขั่วถั่วกับงาไปไม่ได้ตลอกเขาขั้วถั่วก่อนสิเอางาไว้ก่อนไว้ได้ยังไงอะไปพร้อมกันไปพร้อมกันมันไม่อะ สมาธิเหมือนกันบางคนบอกว่าไปพร้อมกันได้ไหมสมาธิด้วยแล้วก็พิจารณากายไปด้วยลองทําดยเถิดมันไม่ได้มันคนไม่ได้จริงๆนิงนะคนพูดมันก็พูดไปนะเวลาคนทํานั้นแหะมันเห็นหมด่ะเวลาทํำน่ะฉะนั้นเราจะเชื่อใครอะไรเนี่ยอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงกันดีกว่ามันต้องไปด้วยกันมันต้องเอาสมาธิไปเหมือนกับทุลังจะที่เอางาลงให้กพร้อมกับถั่วให้ได้ ไม่ทุกครั้งเลยที น, นี้คนมีปัญญาเขาก็ต้องมาว่าเอ้ไม่ได้สิเม็ดมันไม่เท่ากันเม็ดถั่วเม็ดใหญ่งามันเม็ดเล็กและความร้อนพอดีกันเวลาการเวลาเท่ากันมันไม่ได้มันไม่ก็เลยว่าเอาอย่างนี้ถั่วต้องลงก่อนก็หมายถึงสมาธิก็ต้องวางก่อนสมาธิก็เหมือนงาพิจารณาเอากามออกไดเหมือนถัว่วถั่วมันใหญ่อะ่ะเราก็ต้องเอาถั่วลงก่อนสิ แก้เรื่องกามก่อนแก้เรื่องอกุศซนนี้ก่อนแก้เสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวอา ง, งาใส่พอดีเลยเออมันต้องอย่างนี้สิฉะนั้นเวลาเราจะทําสมาธินะ่ะให้หมดกามก่อนนะเวลาหมดปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นพระนาคา ม, มีเลยนะโน่นเลยนะไม่ใช่ต่ําเลยนะฉะนั้นการหมดกามเนี่ยไม่ใช่ต่ําเลยสูงมากถ้าจิตเราจะดับสนิทเลยอากุศลกของเราจะไม่มี ใจของเราที่บอกว่าคิดไม่ดีเนะ่ยคิดสปกปรกเนะี่ะไห้เหลือซากเลยขาวสะอาดเราไม่เคยเห็นคิดเราสะอาดอย่างนั้นเลยนะแล้วก็สะอาดตรง น, นี้ตลอดไปชีวิตเลยนะซึ่งเราภูมิใจมากว่าจิตเราประพัดสอนจิตเราสะอาดสะอาดนอกสะอาดไหนเราเหมือนก็นว่าภูมิใจว่าเรามีบารมี <c oughs> เมื่อก่อนเนี่ยน้อยใจว่าตัวเองไม่มีบุญเลยไม่มีบุญกับเขาดูที่ใจเราในสกรปรกเหลือเกินคันจะไปบอกใครเราก็อายพ่อขายหน้าตัวเองเนี่ยของสกรปรกนี่ไปบอกใครได้เราก็อมไว้เป็นความลับ ป, ปิดบังไว้แต่บัดนี้เนี่ยเราไม่ต้องปิดบังเลยว่าใจของเราสะอาดจริงๆอย่างที่เคยบอกว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันกดดันเราเนี่ยแต่เราเห็นทางออกนะ เราก็ยิ้มสู้นะทั้งทั้งที่เราจะยากขนาดไหนเราก็ยิ้มสู้อย่างที่บอกว่ามีหนี้มีสินมากแต่เราเห็นช่องทางออกอยู่ว่าเรื่องนี้เราจะเคลียร์ได้นะแต่เหนื่อยหนักเหนื่อยหนักหน่อยนะเราก็สู้ฉะนั้นเรื่องจิตเนี่ยที่สกรปรกก็ดีจิตที่ไปทางกามนี่ก็ดีเนี่ยเราเห็นทางออกเนี่ยถึงหนักหน่อยถึงหนักขนาดไหนเราก็สู้สู้เพื่อความชัยชนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนัก แต่ไม่มีทางออกเนี่ยเรามองไม่เห็นทางเนี่ยมืดตึ๊บเรานี่กดดันมากมากเลยเราจะแย่มากอย่างนั้นทีนี้ว่าเรามาทําตรงนี้ก็ชื่อว่าช่องทางตรงนี้เนี่ยเป็นช่องทางที่ออกที่ดีที่สุดแล้วก็หลายคนที่สอนสมาธิเนี่ยที่บอกว่าคนนั้นก็สอนสมาธิอย่างเดียวมาเห็นพิจารณาอย่างนี้เลยคือต่างคนต่างเข้าใจนะเข้าใจไหม คนโน้นก็เข้าใจนั่นก็สอนอย่างนั้นคนนี้ก็เข้าใจอย่างนี้ก็สอนอย่างนี้ก็เลยหลากหลายยิ่งในสังคมนักกรรมฐานสมัยนี้นะส่วนใหญ่จะหนักสมาธิมาทุกคน เ, เพราะพื้นเผยเดิมเนี่ยสอนสมาธิกันอยู่แล้วแต่เราพิสูจน์ได้หนี่ว่าเราไปฝึกมาหลายสำนักใช่ไหมล่ะฝึกแล้วเป็นไงสมาธิเรามีไหมบอกว่ามีได้ไหมได้แต่กามหมดไหมล่ะ อาคุณโสคิดไม่ดีหมดไปล่ะไม่หมดอันนี้ไม่ใช่ว่ามาสอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามาขัดแย้งกับใครนะเพราะเราต้องการหางออกที่ดีเนี่ยสมมติว่ามีหมอให้ให้ให้ยาเราเนี่ยบอกว่าอา้าคุณเอายานี้ไปทานนะแล้วคุณจะหายแต่คนไข้ก็ไปทานยามันไม่หายอะ่ะหมอก็บอกหายแล้วหายแล้วถูกแล้วยานนี้ถูกอยู่แล้ว เราก็เก็บความในใจว่ามันไม่หายมันยังมีโรคอยู่เลยเขาจะบอกว่าหายแต่มันไม่หายแต่เราจะคิดบอกว่าไม่หายกกะดเหมือนกับว่าเราโต้แย้งเขาก็เสียมารยาทก็เลยว่าเออหายก็หายแต่ไม่หายหรอกนะในเมื่อเมื่อเขาบอกว่าดีเหมือนกับคนที่สอนทำอย่างนี้นะสมาธิเนี่ยทำลายกิเลส น, นะดับหมดแล้วไม่เหลือก็เรารู้เนี่ยดับไม่ดับนะ่ะ ใ, ใช่ไหมท่านเราจะเถียง เขาก็เหมือนกขาเถียงอาจารย์ก็เลยไม่กล้าก็เลยเออแต่ก็อมความลับไว้เสมอว่าเออจริงเราก็ไม่ไม่ไม่ไม่ได้มาตันล่ะทีนี้เราจะอมความลับไวนะ้ทําไมนะทีนี้เมื่อมาจะมาสอนตรงนี้เนี่ยหลายคนก็ว่าเสือนไม่เหมือนใครเลยก็มันทางออกนี่จะเหมือนทุกคนได้อย่างไรนะถ้าอย่างนั้นทดลองทําสิ ไหนเราก็ตันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมล่ะเราเลือกมาหลายสำนักแล้วนี่บางคนบอกว่าวัดเหรอทั่วประเทศไทยในวัดไหนไม่รู้จักไม่มีหรอกไปหมดแต่ออกไหมก็ต้องดูใจก็รู้อลองดูใจก็รู้เป็นเครื่องวัดดีกว่าเราไม่อยากว่าครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่สอนนอย่างโน้นอย่างนี้เดี๋ยวจะว่าติกันดูใจเราสิดูใจเราสิ ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มาทาตามนี้ทีแล้วก็ทาตามนี้ดูที่ว่าที่ตมาสอนวันนี้นะมันจะละได้ไหมตมาไม่กลัวคนพิสูจน์นะอยากให้พิสูจน์เรื่องนี้นะว่าเอ๊ะหลายคนวิจารณ์ตมาว่าสอนผิดสอนผิดนะเยอะเลยหนาหูเมื่อกันได้ยินแต่เราไม่เป็นไรเราคิดว่าการสอนของเราเนี่ย เราไม่กลัวคนพิสูจน์คิดว่าสินค้าเราดีให้คนใช้ใช้ไปก่อนพิสูจน์เรื่องนี้ดูว่ามันจริงอย่างไรเอาความจริงมาพูดดีกว่าอาจจะผิดอย่างที่เขาว่าหรือไม่เขาคือคนว่าก็ว่าไปไม่ไ ม, ไม่ไม่มีประมาณหรอกนะคนจะว่านั้นนะพุทธเจ้ายัางโดนด่าหรือโดนว่าเลยอะพุทธเจ้าเรื่องพุทธเจ้านี่เป็นขนาดนั้นเนี่ย ท่านรู้ขนาดไหนยังโดนว่าเลยนับภาษาเราฉะนั้นจะว่าอะไรกันได้แต่เราอยู่บนพื้นฐานของการพิสูจน์ขอให้พิสูจน์ดูอพิสูจน์ดูว่าคําพูดนี้จริงหรือไม่นักธรรมไม่กลัวนะพิสูจน์อยากจะให้พิสูจน์จังอเริ่มร้องร้อ ง, องเลยพิสูจน์เลยเรื่องนี้จะรู้กันดีที่ว่าที่พูดนี้จริงหรือไม่น่ะที่คนอื่นเขาพูดเราพิสูจน์มาแล้วนี่ แล้วก็ก็วัดผลมาแล้วนี่แต่ตรงนี้เนี่ยลองดูสิไม่กลัวนะเรื่องพิสูจน์ก็ก็ก็เราพูดอยู่บนบนสิ่งที่เราพิสูจน์ขาพิสูจน์ได้ทีนี้เวลาเราอบรมมรรคเนี่ยมรรคเนี่ยจะไม่ต้องใช้สมาธิจริงๆถ้าบางคนบอกว่าต้องใช้ถ้างั้นก็เราไปดูที่คำสอนี่พูดเจ้าเนี่ยท่านใช้ไหมล่ะ ท่านก็ไม่ได้สมาธิขึ้นหน้าเหมือนกันทําวัดได้ลงท้ายเหมือนกันเราไปอ่านมารคมีองแปดดิสมาธิตีสมาสังกปรสมาวาจาสมากรรมโตสมาอาจีโวสมาวายโมสมาสติสมาสมาธินี่และสมาธิทั้งท่านบอกก็ว่าสงัดจักรามสงัดจักราคุสนนี่ก็ต้องให้หมดก่อนสิก็เราทําที่แรกมันไม่หมดเนี่ยยังทุหลังจะทํามันก็ไม่หมดอยู่ดีแล้วก็เปิดโอกาสให้สมาธิมาทำลายกิเลสกามเรา ทำลายจิตที่ดำๆคิดไม่ดีของเรามันก็ไม่หมดก็เราก็ให้โอกาสแล้วนะสมาธิทำยังไงก็ไม่หมดทำยังไงก็ลองลองทำเลยมันไม่หมดนะแต่ถ้ามาเจอออยมักนี่นะหมดอย่างที่ว่าในอบรมมักเนี่ยซึ่งมักเนี่ยจะเป็นระบบที่แปลกมากที่ว่าวงการกรรมฐานจะไม่ค่อยรู้จักไม่เอ่ยถึงเลยว่ามักนี่คืออะไรเพราะอะไรเพราะ คงจะไม่มีใครอบรมมั้งถึงเป็นอย่างนั้นก็คือว่าอันนี้ก็คือว่าการอบรมมัชเนี่ยจึงไม่เป็นที่รู้จักของคนปฏิบัติกันเพราะว่ามักเนี่ยเป็นเรื่องรู้ยากเพราะว่าไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสมาธิแต่ขึ้นต้นด้วยปัญญาจึงที่บอกว่าเมื่อคนที่ทำสมาธิปุ๊บเนี่ย ถ้าให้มาเจริญด้านปัญญาเนี่ยเขาถึงไม่ทิ้งสมาธิเพราะอะไรเพราะกลัวหายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าจะกลัวหรือไม่กลัวเนี่ยต้องมีปัญญานะความจริงไม่ต้องกลัวมันไม่หายหรอกอการการที่ไม่ทำเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิเราจะหายไปไม่หายเวลาเราอบรมเรื่องเรื่องพิจารณาตัวเองเนี่ยสมาธิเกิดมากเราไม่ได้ทำกลับเกิดมากกว่า ดันั้นเวลาเอาจิตมาพิจารณาร่างกายอาการสามสิสองของเราอยู่เสมอเนี่ยสมาธิฌานนี่เกิดมากที่สุดเลยเกิดง่ายๆนี่เองแล้วเกิดได้ง่ายๆเร า, เราขนาดเราไม่ทํายังเกิดเลยเหมือนกับว่าเราทําพิจารณาร่างกายได้ทุกสมาธิเลยไม่มีเลยสมาธิใดที่จะไม่เกิดในที่นั้นไม่มีเลยแล้วเราเราทิ้งไปเหมือนกับว่าไม่ได้ทิ้งเลยนะั่นมันมาอีกนะมาใหม่มาใหญ่กว่าเดิม ฉะนั้นคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาสแสวงหาสมาธิโดยไม่ยากหรอกเขาทำในะยังไงเขาก็ได้สมาธิเหมือนคนที่มีปัญญาสแสวงหาทรัพย์ทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยได้เพราะปัญญาคนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยเอากําลังเขาแรกเนี่ยทํางานหยาดเงือ้อหยาดเขาเรียกว่าเอาเงื่อต่างน้ําเลยเอาแรงงานเขาสู้ได้เงินนิดเดียว เขาเรียกว่าใช้กำลังไม่ใช่ปัญญาแต่คนปัญญานั่งนั่งนอนๆก็ได้เงินเยอะแยะฉะนั้นการที่เราจะได้สมาธิเนี่ยปัญญาสามารถที่จะผลิตผลของสมาธิได้อย่างไม่เาเรียกว่าอย่างมีประสิทธิภาพฉนั้นปัญญาในเรื่องนี้เนี่ยทุกคนที่มาฝึกสมาธิเนี่ยทำให้สมาธิไม่เกิดหรือเกิดแล้วเนี่ย รักษาไม่อยู่หรือจะเป็นระบบสมาสัมมาสมาธิที่ถูกต้องเนะี่ยปัญญาสําคัญมากามากทีเดียวนะเพราะว่าปัญญาเรื่องเรื่องปัญญานี้เป็นเรื่องที่ว่าทุกคนจะต้องมีฉะนั้นคนทําคนมีปัญญาสมาธิอย่างมหาศาลเลยสมาธิจะเกิดมากเพราะปัญญาเป็นตัวผลิตผลของสมาธิเมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่พิจารณาร่างกายเนี่ยก็คือเขามีเหตุผลว่า การที่เราปล่อยใจไปคนอื่นเนี่ยทำให้กามมันเกิดเราก็จะไม่ปล่อยใจไปการที่เรามาพิจารณากายและตั้งตั้งตั้งตั้งความเห็นเอาไว้รักษาเป็นเครื่องอยู่ทำให้เนคขมะเกิดเพื่อจะไปล้างกามนั้นแล้วก็เมื่อตั้งคิดเนคขมะให้มากกามนั้นก็จะสลายตัวในที่สุดอากุศลละธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ ในจิตใจของคนเราก็จะสลายตัวในที่สุดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาจําเป็นจะต้องวางสมาธิไว้ก่อนเหมือนบุคคลที่วางงาไว้ก่อนขั่วถั่วก่อนเพราะเคยทั่วด้วยกันแล้วเนี่ยมันไหม้หรือไม่งั้นเอางาลงก่อนเอาทั่วทันทีหลังไม่ใหญ่เลยทีนี้กระดับพร้อมกันยังงายังไหม้เลยนะ เอางานไ่ก่อนเลยทนี้เอาทั่วตามหลังคงจะไม่เหลือแล้วล่ะทางที่ดีก็คือเมื่อสิ่งไหนไม่ควรก็วางไว้ก่อนเอาสิ่งที่ควรลงก่อนแล้วถึงเวลาก็ค่อยเอาพร้อมกันไปาการพิจารณาร่างกายเนี่ยเขาจะพิจารณาเมื่อกามมันดับไปแล้วหมดแล้วแล้วค่อยทำสมาธิขึ้นมาแล้วสมาธิที่ทำมาก็ไม่ยากอะไร กจิตในไหนมันก็ไม่มีกามแล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไรอยู่แล้วโล่งโปร่งและสบายอย่างนี้เป็นต้นคนที่มีปัญญาเขามองออกแล้วก็แผนงานที่เราทำเนี่ยอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าอาการนี่จะออกได้ตรงไหนรู้ความเกิดมันรู้ความดับของมันแล้วก็รู้จักว่าอากุศลหรือความคิดดำๆคิดคิดไ ม, ไม่ดีของเราเนจะออกโดวยวิธีใดตั้งตรงไหนเป็นฝ่ายเกิดตั้งตรงไหนฝ่ายดับ เขาเคลียรเรื่องนี้ก่อนถ้าไม่เคลียสมาธิคนนั้นก็ปนด้วยความเป็นอากโซนนั่นแหละตลอดชีวิตเลยก็จะปนอยู่อย่างนั้นแหละมันจะหมดได้อย่างไรแั้วนิพานก็ไม่รับนะกิเลสเอ่อสมาธิประเภทนั้นไล่รับหรอกสมาธิพกเอาความสกปกไปด้วยเนี่ยเราสังเกตไหมเวลาจิตเป็นสมาธินิ่งเนี่ยจิตมันก็ไม่มีอารมณ์แต่ออกมานะ่ะอารมณ์ชั่วชั่วอารมณ์ยาบหยาบเยอะแยะไปหมด นิพานไม่รับนะจะไปนิพานได้ยังไงจะทุลังไปได้ยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเรามากันกองด้วยกันอบรมมรรคเนี่ยสะอาดมากเลยจิตเราไม่เคยเห็นว่าความสะอาดของจิตใจของเราจะมีดูปานนั้นเราก็ภูมิใจซิโอจิตเราสว่างความสงบนี่สงบตลอด2ี่สิบสี่ชั่วโมองเลยสงบสว่างสวายตัวนี่เหมือนออกแสงทั้งตัวเลยจิตจะมั่นคงมากเป็นสมาธิไม่เสื่อมเลย ไม่เสื่อมเลยเพราะอะไรจิตมันมั่นคงมากเพราะรู้เห็นไอความรู้เห็นตรงนั้นเองทำให้เกิดการเป็นสมาธิอย่างมโหฬารการทิ้งสมาธิไว้นั้นกลายเป็นว่าได้สมาธิอย่างใหญ่โตอันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าเราจะต้องมีปัญญาแล้วก็ผู้รู้ทั้งหลายที่ทำเรื่องนี้มาเนี่ยท่านมีประสบาการณ์มากมาย คนเหล่านั้นเจนจบในการทำท่านต้องเอาความรู้ดีๆมาบอกเราและการที่ความรู้เหล่านั้นได้มาเนี่ยได้มาจากการฝึกฝนจากบุคคลอื่นที่การผ่านการฝึกฝนมานานแล้วมาแล้วเนี่ยความรู้นั้นมีประโยชน์มากเพราะเรายังมืดต่อการที่จะไปฉังนั้นการฟังธรรมนี่เองรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้เข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจแล้วได้มีสติปัญญา เขาเรียกว่าเป็นแนวทางที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริงๆการฟังธรรมทั้งมีประโยชน์ฉะนั้นเมื่อบุคคลนั้นอบรมอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันกลางคื น, นกลางคืนชั้นใดกลางวันชั้นนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันชั้นนั้นกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นทำอยู่ทั้งวี่ทั้งวันเชื่อไหมว่าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปี ก า, มมารมรลาคาตัวนี้ไม่มีทางเกิดได้เลยแถมไม่นำซ้ามีแต่ไฟาฝ่ายดับขาลงนานไปนานไปนานไปนานไปเราจะเห็นว่าการ ม, มาลาคาตัวนี้เบาลงไปเบาลงไปเบาลงไปในที่สุดดับสนิทเลยเรารู้เลยว่าเมื่อดับแล้วจะไม่หวนกลับเพราะมีระบบล็อกไว้เลยจะไม่หวนกลับ ฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยว่าคนที่หมดกามแล้วจะหวนกลับมามีกามอีกไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เมื่อบุคคลนั้นพิจารณาตัวเราจากจุดใดจุดหนึ่งลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายจากภายนอกภายในตับไตเส้ยผงเ้าเรียกว่าเห็นกายในกายเมื่อเห็นกายในกายนี้ขึ้นมาย่อมเห็นตัวเองประดุจดังซากผีดิบย่อมเห็นเวทนาในเวทนานั้นด้วยว่า เวทนาทางกายนี่ก็ดีเวทนาทางใจที่จิตคิดไปในอารมณ์ต่างๆสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างเป็นอารมณ์ฝ่ายใจเวทนาทางใจนั้นก็ดีล้วนแล้วแต่ว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเพราะร่างนี้เป็นร่างที่ว่างเปล่าจากตัวตนเราเขาแต่มีความปฏิกูลอย่างมากมายเต็มไปด้วยสิ่งสกปกเหมือนกระสอบหนังที่บ้างในบรรจุด้วยถั่วงา อาหารเก่าอาหารใหม่เต็มไปหมดมีรูรั่วเก้ารูไหลออกเนืองนิดของสิ่งปฏิกูลอันนี้ก็คือว่าเราเห็นอย่างนั้นก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตนนั้นเองเบื่อหน่ายตนนั้นเองเท่าไหร่ก็เบื่อหน่ายผู้อื่นเท่านั้นเบื่อหน่ายผู้อื่นได้เท่าไหร่ก็ขายกา ม, มาลาข้าออกเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราเบื่อตัวเองถึงที่สุดความเห็นแจ้งนี่แจ้งมาก ก็เบื่อหน่ายโลกทั้งหมดเบื่อหญิงเบื่อชายก็ขายกามมาลาคะนั้นออกในที่สุดแล้วกามมาลาคะก็สิ้นไปไม่มีอะไรอีกแล้วเรารู้เลยว่ากามได้สิ้นไปจากเราแล้วแล้วเมื่อสิ้นแล้วเนี่ยเราจะไม่หวนกลับมาสู่การมีอีกเลยเพราะว่ารับไม่ได้รับไม่ได้ต่อการที่จะมีขึ้นมาเมื่อเบื่อตัวก็เบื่อ โลกเมื่อเบื่อโลกก็คลายความเป็นโลกคลายความเป็นโลกก็คลายความเป็นหญิงชายความเป็นหญิงชายปดไปราคะก็สิ้นไปเมื่อราคะเป็นต้นเง้าเข้ามูลของจิตที่เป็นอกุศลสิ้นไปบริวารก็สิ้นไปคือความดับสิ้นอากุศลทั้งหลายก็ดับไปฉะนั้นระหว่างนั้นนจิตของเราเนี่ยจะไม่มีอากุศลเลยคิดชั่วๆวคิดดำดำคิดสกรปรกจะไม่มีเหลือเลยแล้วจะไม่หวนกลับมามีอีก ที่บอกว่าเราเนี่ยสะอาดหมดเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตนั้นก็น้อมไปลักษณะที่พระองค์ทรงกล่าวถึงว่ากามนี้เป็นความดับแห่งปัญญาเป็นฝ่ายพับแขนขับแขนไม่เป็นฝักฝ่ายที่ปลอดโปร่งไม่เป็นฝ่ายผ้าผ้าไม่เป็นฝ่ายของเผ่านิพานเป็นฝ่ายที่ดับแห่งปัญญาก็จริงๆถึงทีบอกว่า การนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ไม่พร้อมสับที่จะไปสู่นิพพานได้ฉะนั้นคนที่นิพพานก็หมายถึงบุคคลนั้นต้องหมดจากรามก่อนมันถึงจะสะอาดผ้าขาวผ้าที่สกรปรกซักให้ขาวก่อนถึงจะรับน้ำร้อมได้ดีฉันใดจิตนั้นต้องสิ้นไปการสิ้นไปจากรามแล้วและอกุศลทั้งหมดแล้วเนี่ยถึงจะไปพร้อมที่จะจาะเข้าสู่พระนิพพานอันนี้ก็ฉันนั้นก็เหมือนกัน เมื่อพิจารณาอยู่อย่างนี้ก็เห็นภายนอกภายในนี้กายภายนอกกายภายในอเห็นทั้งหมดก็เห็นเวทานาภายในร่างกายเราพิเาทนาทางใจว่านั่นก็ไม่ใช่ของเราว่าไม่ควรหมายมั่นว่านั่นเป็นเราก็าเขาเรียกว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตว่าจิตนี้เกิดลาคะนะั่งจิตนี้เกิดโทสะจิตนี้เกิดโมหะจิตนี้เป็นอกุศลจิตนี้เป็นกาม รู้ความเกิดความดับคุณโทษอุบายออกอเห็นคร้งออกเหล่านั้นเขาเรียกว่าเห็นจิตในจิตก็กลายเป็นสติปัฏฐานสี่นะเห็นธรรมในธรรมก็คืออบรมมักเอยมมักอัดถังขี้กระมักตัวนี้เองเป็นตัวอบรมทาให้เกิดทำให้ทำหลายกามนั้นได้ก็ด้วยมักนั่นเองเป็นที่ไปของการกระทําทั้งหมดเมื่อมักจเจริญสติปัฏฐานสี่ย่อมจเจริญ เมื่อสติประธานสี่เจริญสมมติประธานสี่ย่อมจเจริญสมมติประธานสี่เจริญอินรี่ห้าพระละห้าย่อมจเจริญอินรี่ห้าพระละห้าย่อมจเจริญอย่างโพชฌงเจ็ดให้จเจริญโพที่ปักขยธรรมสามสบเจ็ดย่อมจเจริญอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ธรรมในธรรมก็กลายเป็นสติประธานสี่อย่างสมบูรณ์ขึ้นมาก็คือมาจากการจเจริญกายยะตาสตินั่นเอง พมทุกหมวดก็จเจริญด้วยการดับราคะได้ฉะนั้นเราจะอัศจรรย์ใจว่าเมื่อก่อนเราเกิดมามีกามแต่ตั้งแต่กําเนิดอย่างที่บอกว่ากําเนิดเล็กๆเราก็ไม่รู้สึกว่ามีนะแต่โตขึ้นมารู้สึกว่ามีแต่เมื่อมีแล้วเนี่ยเราสามารถจะเอาออกได้ด้วยวิธีนี้มันเหมือนกับว่าชีวิตเราหนึ่งเดียวแต่เราเปลี่ยนสองระบบ เมื่อก่อนเราเป็นพุทุชนเต็มๆเต็มด้วยกามแต่ภายหลังละการอบรมด้วยกำลังของเราลำแข้งของเราที่ก้าวไปการฟันฝ่าด้วยความอึดมีธรรมะเป็นตัวกดกักดกั้นของการกระทามีความเพียรวิริยะเป็นขันติเป็นขันติที่ต่อสู้ต่อฆ่าศึกได้ชัยชนะมากามทั้งหลายย่อมสิ้นไปเราเห็นว่าตัวของเราในชีวิตเดียวกัน ม, มีว่าเมื่อก่อนมีกามแต่เมื่อละภายหลังจากการอบรมนั้นกามได้สิ้นไปมันเหมือนสะใจนะ น, นะว่าเราทำได้หมายถึงว่าโลกนี้มีทางออกแล้วก็เราก็หนึ่งในนั้นเหมือนกับเราเนี่ยเป็นวีรบุรุษคนหนึ่งที่ไม่น้อยหน้ากับใครในบรรดาความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็เป็นหนึ่งในนั้ น, น, นว่าเรามีความสามารถย่อมกรยิมยิ้ ม, ย, มย่องในตัวเองว่า เราเป็นผู้มีความสามารถที่ชนะสงครามอันชนะด้วยยากอันนี้เขาเรียกว่าคุณภาพของชีวิตของเราเนี่ยจะยกมีคุณค่าขึ้นในในตัวเราเองว่าเรามีค่าแล้วคุณค่าเหล่านี้ก็เกื้อกูลแก่ผู้อื่นให้มีค่าเช่นเดียวกันก็เมื่อมารู้พระธรรมคาสอนพระเจ้านี่เองอันนี้แหละสาธารณชนทั้งหลายว่า เราจะทําให้กลัวเรามีค่าก็ได้ไร้ค่าก็ได้ทําเหมือนสัตว์หากินไปวันๆหนึ่งมีลังมีลูกมีลูกมีล่วงมีลังมีลูกมีหลานอย่างนั้นเราทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นมนุษย์มีสติปัญญาเราจะทําแค่นั้นหรือทาอย่างสัตว์นั่นหรือมันจะต่างกว่าสัตว์นิดเดียวเท่านั้นเองก็คือมีสติปัญญาแต่การการะทํานั้นไม่ต่างกันแล้วเรา คุณภาพของคุณค่าของเราแทบไม่มีเหลือเลยต่ำมากคุณภาพชีวิตเราไม่เห็นอะไรที่จะมีคุณค่าเท่ากับการประพฤติพรหมจรร ย, ย์อันนี้รัา ด, ดุชนทั้งหลายว่าสิ่งใดในโลกนี้ที่ทำได้ยากและสิ่งนั้นก็ดีด้วยมันเป็นความท้าทายของบุคคลนะว่าใครจะมีความสามารถแต่ว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ย รู้สึกกระยิมยิ้มย่องว่าเรามีความสามารถเหมือนกับว่าเป็นสัตว์ปรุษเป็นผู้มีความแก้วกล้าในสงครามอันชนะโดยยากก็ถึงได้บอกว่าพระาราหันทั้งหลายเป็นที่กราบระกราบไหว้สักการะแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายอยู่ที่ไหนควรอัญชลีควรกราบไหว้ควรนั่งใกล้ควรฟังธรรมควรประพฤติตามเพราะบุคคลนั้นยังประโยชน์โดยรวมให้แก่กลุ่มชนเหล่านั้น สามารถยังมนุษย์และเทวดาให้ให้เป็นไปนนเทวดาท่นก็หลงแบบเราหลงแบบแบบไปเทวดานะมนุษย์ก็หลงแต่แบบมนุษย์ขนาดเราล่างเหม็นๆนี่นะยังหลงอยู่เลยเทวดายิ่งใสๆเนะี่ยโอ้โหคงจะมองยากกว่าเราอีกนะข้อสอบเราเนี่ยง่ายแล้วนะที่มองเห็นง่ายก็คือมีมีเลือดมีเนื้ออยู่เนี่ยยังทํายากขนาดนี้เลยฉังนั้นเทวดาไม่ต้องพูดถึงหรอก ยากกว่าเราอีกเพราะใส่ใสทั้งนั้นเลยแต่ก็ล่างต่างคนต่างสายแต่ไม่เที่ยงทุกคนนะก็เป็นของว่างเปล่าหมด